การปรับการเปลี่ยนจริตนิสัยพื้นเพออบปนนิสัยมันเป็นเรื่องไม่ง่ายมันเป็นเรื่องยากไม่ว่าเราไม่ว่าท่านแหละถ้าความมุ่งมั่นเราอ่อนข้อลงทีไรเมื่อไรไอความมุ่งมั่นทั้งหลายเราเรานั้นกับร่วงหมดแล้วแหละมันร่วงหมดแล้วแหละที่เคยตั้งใจเอาไว้นะ่หากอยากได้ยูอยากได้บุญนั่นแะอ่ะ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 เอาตามใจฉันเนี่ยอืทําไงฉันจะสบายอันนี้เรานั่งบนสลาเนี่ยเรานั่งได้นา น, นเนี่ยเนี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งนั่นเนี่ยเรานั่งคนเดียวรู้วเนี่ยได้พอสิบนาทีวะนี่ยฮะหาเดินไปโซกันแหละนั่งบนสลาเออเราจะพานั่งอย่างนี้ทั้งคืนดีไหมฮะฮะมันต้องมัด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 คนที่ท่านพาขยับก็ขยับท่านก็ขยับอยู่นั้นหละขยับอยู่นั้นละขยับอยู่นั้นหละออแต่อันนี้ก็ขยับซกซากซกซากซกซากเนี่ยนั้นคือขยับกิริยาเพื่อจะขึ้นเพื่อจะหลุดจะตกจะหลุดจะตกอย่างนั้นะแต่อันนี้ซกซากซกซากอ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอย่างนี้จะยังไงล่ะมันง่ายได้บันญัติได้แต่มันก็ไม่ยากเกิน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 พุทโธระวังพุทโธระวังระวังความระวังนั่นแหละมันเป็นการประคองที่ท่าเรียกว่าวิจารณ์วิจารณ์วิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองหรือประคองวิตกก็คือพุทโธเนี่ยแหละคือความนึกความคิดหนึ่ยที่ท่าเรียกว่าวิตกวิจกวิตกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ อย่าไปนึกอย่าไปกังวลหน้ากังวลหลังอย่าไปห่วงนนทนห่วงนี่ทําำให้ยุ่งไปใจเจาะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้อยุ่งไปใจเจาะซ้ายยุ่งไปเจาะขวากังวลไปหมดออืพุทโธแข่งกับมันเลยแหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ระวังพุทโธแล้วก็ประคองพุทโธแล้วก็กําหนดพุทโธแล้วก็จอมัธยจิตพุทโธแล้วก็ดึงเอาไว้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 ถ้าเป็นไฟมันก็สว่างมันก็พโพรง่งความคล่องตัวความเบาตัวความอ่อนตัวไปกับกิริยาอาการของของคำว่พุโทโธพุทโธมก็มีวิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองวิตกคือตั้งเอาไว้วิจารณ์คือประคองแม้มันขาดแม้มันขาดช่วงวิตก ตังเอาไว้วิจารคือตรองท่านเรียกว่าอารมณ์ของปฐมฌานอารมณ์ของความสงบขั้นแรกบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอวิตกคือความตึกวิจารคือความตรองปิติสุขเอกคัตาเอกคัตาก็คือเราพยายามดึงเราพยายามจับไม่ปล่อยแล้วล่ะ เ, เอกคัตตาก็คือจับอารมณ์นั่นแหละจับอารมณ์คือพุโทโธนั่นแหละ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 ธรรมะพุทโธนี่เป็นธรรมะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโอเราทำไปทำไปทำไปมันเริ่มอิ่มเพราะมันเริ่มอิ่มน่ยถึงเราจะไม่ว่าพุทโธมันก็อยู่นะเราไม่ว่าพุทโธมันก็อยู่เราไม่ไม่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมันก็อยู่จิตก็สงบสงบแล้วเราก็ปล่อยมันสงบแราก็ปล่อยมันนิ่งมันก็ร่อมันแนวมันดิ่งมีความสงบ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 มันอ่อนมันนิ่มนิ่มอยู่กับคาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเราจะต้องลงทุนให้มากลงทุนให้หนักไม่ไดาทำศักดิ์เทวธรทำไม่อยู่ทำศักดิ์เทวดาทำไม่อยู่ต้องลงทุนให้หนักลงทุนให้หนักต้องเป็นเชือกใหญ่เชือกเล็กๆนี่มัดไม่อยู่มัดใจไม่อยู่ที่เราต้องการให้อยู่คือต้องการให้ใจอยู่ใจอยู่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 เขาเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นผู้ครองโลกบางครั้งเราก็อยู่กามโลกเช่นอย่างโลกมนุษย์บางครั้งเราก็มีบุญหน่อยเกิดไปเกิดในรู ป, ประโลกบางครั้งก็ไปเกิดในอรู ป, ประโลกกามโลกรู ป, ประโลกอรู ป, ประโลกอยู่ในเงื้อมมือของเขาทั้งหมดนั่นแหละเขามีความชำนิชำนาญมีความละเอียดอ่อนมีมนพิเศษละเกินเป่าพรวดเดียวนะพวกเราเนี่ยหลับไหลไปตามเ้าหมด นี่จ้าอํำนาจของความอยากความอยากก็คือตัณหาในหัวใจของเราความอยากเป็นภาษาไทยภาษาบาลีสัญญวัตตันหาตันหาตันหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจใจคึกใจขนองใจดิ้นรนกิเลสพลังของมันที่มีมนีอยู่ในใจมันกระสิบกระซาบดึงจิตเราออกไปโน่นดึงจิตเราออกไปนี้กระสิบกระซาบดูให้ดีมันกระแอบมากระสิบกระซาบ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 มันก็จะกัดตะกอนให้ร่วงลงร่วงลงร่องลงร่วงลงร่องลงร่วงลงร่องลงร่องลงน้ำน่ะใสใสเจ๋วอยู่ในน่ะอยู่ในแก้วนั่นน่ะน้ำใสเจ๋วถ้าเราจะเทียบเราบริกรรมพุทโธพุทโธจิตเราจะเริ่มสงบเพราจิตเริ่มสงบเนี่ยพราะจิตเริ่มสงบจากอารมณ์ของกิเลสที่มันมาก่อขวนจิตก็เหมือนกับตะกอนที่มันนอนก้นนั่นแหละ มร่วงลงร่งงร่งงร่งงโอกาสที่มันจะร่วงลงเฉยๆไม่มีเราต้องทำเราต้องมีอุบายวิธีทำท่านจึงให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเพราะจิตเราเริ่มสงบจิตของเราเนี่ยแหละผ่องใสเมื่อก่อนนั้นจิตของเราเนี่ยคุณมัวคุณมัวมองไม่เห็นอะไรอยู่ข้างในความมืดมืดทึบทึบ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 นี่แหละคือรัศมีของจิตเราจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาเป็นแสงสว่างแสงสว่างอย่างอื่นนะมีอะไรบังมันก็ไปไม่ได้คือมันอย่างแสงสว่างที่มันรอดรอดมาเนี่ยเช่อนอย่างเงาของเสาเนี่ยนะเพราะมันมีเสาบางังไอ้ตรงที่เป็นนั่นแหะเป็นเงาเนี่ยแสงสว่างมันไปไม่ได้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 ไม่มีความสว่างสวัยไม่มีความแพลวพราวไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความเยือกเย็นอะไรเลยมืดมืดทึบทึบทื่อทือแข็งกระด้างอยู่นั่นแหละงดงดหงิดหงิดจรพัดหาความสุขตรงไหนก็ไม่เจอหาตรงนั้นจะสุขเดินไปหาตรงนั้นจะสุขเดินไปตรงนี้จะสุขก็เดินมาตรงนั้นจะสุขก็ไปนั่งตรงนี้จะสุขก็ไปนั่งเหมือนหมาขี่เรือนนะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนหมาขี่เรือน มาขี้เรื่อนมันนอนตรงหน้าบ้านตรงนี้โอ้ยตรงนี้ไม่ดีเว้ยเกๆๆๆๆๆ้ายะแยะแยยยไปตรงนูน้นตรงนั้นจะดีวะตรงนี้ก็ไม่ดีกเกๆๆๆๆนะ้ายะแยะแยยะคันอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ความคันเกิดขึ้นจากหน้าบ้านตรงนั้นหน้าบ้านตรงนี้มันเกิดขึ้นจากตัวมันคำว่าตัวมันก็คือกิเลสมันกวนใจนั่นแหละตัวกิเลสแท้ๆหละมันกวนใจดวงนั้น ด้วยเหตุที่เราด้วยอำนาจความรุ่มหลงเราไม่เคยย้อนจิตของเราไปดูจิตของเราเองเลยปล่อยไม่มีอะไรไปอุปธรรมประถากบ์บำรุงส่งเสริมไปขัดไปกล่าวไปอะไรแต่เราไม่เคยสนใจให้กับมันเลยปล่อยมันทิ้งรกๆกรกรกร้างๆอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยสนใจไปชะไปล้างไปขัดไปกล่า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 กิเลสก็แพ้ธรรมะแต่แพ้ตลอดการถึงจะมีการแข่งขันกันเท่าไหร่เรื่องของพยามานกิเลสสมานเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะชน ะ, ะพระกิเลส ท, ที่เป็นพยามานหาโอกาสที่จะชนะพระไม่มีละถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับพระพุทธเจา้าท่านบำเพ็ญบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อจะรู้ธรรมนั่นแหละนะ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 ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญศีลบาร ม, มีเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะท่านบำเพ็ญเป็นอะไรนะเป็นพญานาคอะน ะ, ะนั่งอย่างนั้นแล้วแว้าเขาจะจับไปนน้นจับไปนี้ทั้งๆที่มีฤทธิ์มีเดชมากนะแค่แค่เปิดตาทะลึงตาดูเท่านั้นแหละคนก็น่าจะไม่ฮึบ ไม่ฮึบด้วยด้วยฤด้วยฤด้วยพิษของของของพญานาคแต่ก็อดอดตแทบอดทนออดทนอืลืมลืมชื่อผูริทัศผู้ริทัศตะนาคนาคราชผู้ริทัศตระนาคราชนี่นั่นนะแต่ว่าบำเพ็ญศีลอยิ่ง มีฤทธิมีเดชขนาดนั้นไอในไอคนเล่นกลมันเอาไปเป็นเครื่องมือเล่นกลย่างงั้นยังไงจะเคาะหัวจะโน่นจะนี่จะอะไรกันโอ้ยชคือเขาจับได้เขาจับได้ก็เอาไปเล่นกลอดทนแค่ลืมตาดูแค่นี้ก็ไม่เป็นจุนวิจุนไปแล้วเนะี่ยโอ้ทนอย่างนั้นอาศัยศีลบารมีเมื่อนั้นศีลขาดเน่ยเราดูดิเด็ชขาดถึงขนาดนั้นนะเนี่ยผู้ริทัศผู้ริทัศตระหนักคราช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 รับข้าวจากนางสุชาดาไปเสวยพระกรยาหารไปเสวยข้าวมทุบายญาติที่ฝังแม่น้ำในรัญชาราเสร็จแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานถ้าหากบุญบา ร, รมีของเขาข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะขอยถาดลอยทวนกระแสน้ำคิดดูสิถาดธรรมดาเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำมันไปได้เพราะพลังอะไรเราฟังดนะูไปเพรพลังอะไร ก็พลังบา ร, รมีอะไมันไปได้ยังไงอ่ะฟังเราดูที่มันไปได้ยังไงมันไปได้ยังไงถ้าเป็นพวกเราเราก็โอ้ยเราก็ดีใจเราก็ปลื้มใจแล้วอะโอ้สําเร็จแน่แนสําเร็จแน่แน่สําเร็จแน่แน่อ่าถาดตองคําเล ย, ลอ ย, ล, อ ย, ล, อยลอยไปลอยไปเราไปเจอน้ําวนก็ลงแล้วก็จมลงไปจมไปก็ไปสวมข้างล่างสามถาดสามใบนั่นน่ะถาดพระ พุทธเจ้าองค์ก่อนในกัปนี้สามองค์เนี่ยไปสวมแครกนี่ท่านเล่าถึงพญานาคชื่อนาคอะไรนะนาคที่นอนเฝ้าตรงนั้นน่ะกาลนาคกาลนาคอดีนาอดีอดีกาลนาคเ น, น, น, นีค่คือสมัยยังมีชีวิตอยู่เนอ่เป็นเนเนเน้อยเนนน้อยปฏิบัติพระห้าร้อย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 มีถาดทองคําร้อยมาอีกแล้วจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสวยอิริยาบถอยู่แถวฝั่งแม่น้ําเนรัญชารากลับมาที่ต้นโพตอนขําก่อนจะถึงต้นโพก็รับยาคาแปดกรรมจากนายสดชิย ะ, ะจะรับยาคาแปดกรรมยาคาแปดกรรมนี้ก็ไปปูต่างบรรลังเพื่อที่จะนั่งแต่ก็แต่ก็ในตำนานก็บอกว่า พระองค์อธิษฐานวัชระบันหลังเสียงบา ร, รมีอีกบุญญาบา ร, รมีของข้าพเจ้าถึงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธะขอวัชระอาวัชระบันลังจงปรากฏแก่ข้าพเจ้าในโอกาสนี้บัด น, นี้วัชระบันลังก็ปรากฏขึ้นนี่ตั้งแต่หัวค่านะเสรนาพญามารเริ่มมาไปจนแล้ว ทวสวดีมานทวสวัสดิ์มานสวรรค์ชั้นที่หกนั่นนะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นตอนพญามานมาเนะี่ยเทวดามกลัวเทวดา น, นี้ไปหมดอยู่ขอบเขตเขาจักรวาลนั่นนะนะ่ะเพราะอะไรเพราะทวาสวดีมานนะูน่นนะ่ะสวรรค์ชั้นหกนะ่ะสูงกว่าบรรดาเ ท, ทวดาทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเทวดาห้อมล้อมไปหมดพอพญามานมาเทวดา น, นี้หมดกลัวกลัวพญามานพญามานมา ยามานะพุทธเจ้าก็คือนั่งบนบรรลังแล้วเนะี่ยพอนั่งอธิษฐานบรรลังแล้วเนะี่ยแล้วก็ก่อนที่จะนั่งอธิษฐานอีกอ่าอธิษฐานอีกเนื้อเลือดของเราเหือดแห้งหายไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดฮะถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัม บ, บุตรดูสิเด็ดไหมเนี่ยแล้วก็าบอกทํำไปยามานก็ไปไปจนน่ะ พญามาลเห็นว่าพุทธเจ้าจะไม่อยู่ในเงื้อมมือนั้นแหละพญามาลจะเล็ดลอดจากเงื้อมมือไปแล้วแหละเลยไปพยชนกบารมีของพระองค์เนี่ยมาคลุมมาปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้พญามาลจะยิ่งจรวดยิ่งดาวเทียมยิงอะไรไปใส่ยังไงมันก็สูบารมีพุทธิจ้ า, าอะไรก็ร่วงลงหมดมันกลายเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยเอาหอกเอาอะไรแต่ไรกลายเป็นดอกบัวกลายเป็นดอกไม้มาบูชาพระเจ้าหมด นาพยามานไพ่แพ้ในที่สุดก็เลย ต, ตูตูว่าวัชรบันลังเป็นของพยามา น, น, านาท่านจงลุกเดี๋ยวนี้วัชระบันลังนี่วัชระบันลังเป็นของเรานี่เรามีมูสมัครพระพวกเป็นพยานมากมายเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเขบอกว่าวัชระบันลังเป็นของเราเกิดขึ้นโดยบุญบา ร, รมีของเราท่านมีใครเป็นพยาน ท่านมีใครเป็นพยานเราเนี่พยานเอาเต็มไปหมดเนี่ยพยามารนะไปตูเ <c oughs> ปต่เอาไปตู่อวัชราบรรลั <c oughs> พธ์พญามารไปตู่เอาเพราะสักพักหนึ่งอ่ะแม่ธรณีก็ขึ้นมาแม่ธรณีสุนทรีก็โผล่ขึ้นมาอ ม, อมชั้นนี่แหละพระองคอ์เป็นแม่ธรณีโผล่ขึ้นมาที่พระองค์สร้างบุญญาบรมีมา แต่ละพบแต่ละชาติแล้วก็หยาดน้ําลงสู่พื้นปั ต, ตภีพื้นดินนั่นแหละแค่ติดอยู่ในม้วยผมนิดๆหน่นอยๆเนีนย่นยเนยี่ยเขเลยเอามวยผมมาบีบบีบ บ, บ, บ, บเป็นน้ําลากท่วมพยามามหนีจระเปิดเบิงของทัพของทัพแตกหนีก็เจระเปิดเบิงไปหมดนาจบไปถือว่าตั้งแต่ปฐมยามพระองค์ปราพยามานได้สําเร็จได้สําเร็จเพราะอะไรไม่มีใครช่วยก็บารมีของพระองค์ช่วย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 นี่ในปฐมยามพระองค์ได้ยาญอย่างหนึ่งยาญ น, นี้คือคุณสมบัติภายในจิตมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราทำจนพอชำระขัดสีจนพอกว่ายาญ น, นี้จะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็โดยบุญบา ร, รมีทำให้พระองค์ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคำว่าพอในที่นี้หมายความว่าไง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 เราจะเที่ยวกับเหมือนกับที่พวกเราภาวนากันนี่แหละเราทำทําล้ๆแล้วก็หยุดทําำลๆแล้วก็หยุดเราต้องการญาณเราต้องการปัญญาคําว่าญาณก็คือการได้รู้ธรรมนั่นแหละรู้ธรรมเข้าถึงธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราขัดสีจนเกิดสิ่งที่ที UST ่นอกเนื <t S 1> ้อไปจากไอ้สิ่งที่เราสีเนี่ยอ่า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 จนได้ผลปรากฏขึ้นยานก็เหมือนกับไฟปรากฏขึ้นได้ได้ไฟใช้ได้ยานขั้นนี้ระดับนี้ดิปถมยามยามท่ามกลางตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสองเขาเรียกว่ามัชชิมยามนี่นี่ได้จดตุปะปายานจตุปาฏายานคือคือตอนปฐมยามนั้นเห็นพบชาติของตัวเองพอมัชชิมยามนั้นเห็นพบชาติของคนของสัตว์อื่นนอกจากตัวเอง เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายตายที่นี่ไปเกิดที่โน่นตายที่โน้นไปเกิดที่นี่ตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นกูอยู่อย่างงั้นแหละไม่มีจุดจบถ้าเบอพระองค์มานั่งมองดูพวกเราอย่างนี้รู้ได้หมดโอ้คนนั้นเมื่อก่อนเกิดเคยเกิดเป็นนั่นคนนั้นตายคนนี้จะตายอย่างนี้เราจะไปเกิดเป็นนั่นอ่าแล้วก็ตายเกิดเป็นนั่นแหะตายอย่างนั้นก็จะไปเกิดเป็นนั่นโอ้ตายอย่างนั้นเรากจะไปเกิดเป็นนั่นเมื่อก่อนเคยเกิดเป็นนั่นตายจากนู่นเรามาเกิดเป็นนี้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 จะตูปปาตยานยานรู้ความจุดติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโอ้นาปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนถ้าจะเที่ยวกเหมือนอย่างพระองค์เนี่ยอยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งอยู่ท่ามกลางหันไปทางไหนเห็นหมดหันไปเหนือกับทะลุโ ป, ปรงหันไปใต้กับทะลุโ ป, ปรงหันตกหันออกทะลุโ ป, ปรง่งอยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งเนี่ยเห็นชัดเจนทะลุโ ป, ปร่งไปหมด หน่นเราดูดิฤทธเดชของปัญญาอา่นี่ทีนี้รู้แล้วแหละเห็นแล้วแล้วเห็นแล้วแหละภพชาติของตัวเองก็เห็นแล้วน่าเบื่อหน้าหนายแล้วก็การเกิดการตายเห็นภพชาติของสัตว์หน้าเบือ่อหน้าหนายแล้ว<ส>ก็โอ้เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดปัญหาขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตายกันแน่แตอนนี้สาวหาเหตุปัจจัยเกิด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 เหตุอะไรทําให้เกิดเหตุอะไรทําให้เกิดเหตุอะไรทําให้เกิดนี่พระองค์ก็คลองใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดอะไรเป็นเหตุให้สัตว์เกิดย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปที่ท่านไล่พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาเหมือนหลักตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนี่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาหลักปฏิจจสมุปบาทโอ้มันเป็นมาจาก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 เหมือนเหมือนเพชรนินจินดาที่เรายังไม่ได้เอามาเจริญในให้เป็นเหลี่ยมเป็นสันเวลาไปสะท้อนแสงและเกิดแสงแพรวพราวมันเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เศร้าเศ้ามองมองมัวมัวผู้มีความชำนาญเอามาเจริญในเป็นสันเป็นเหลี่ยมส่องใส่ไฟโอ้ยสีเขียวสีเขียวสีแดงสีเหลือง ไฟที่มันเกิดขึ้นในในในเพชรไฟที่มันเกิดขึ้นในเพชรแสงของเพชรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราไปที่เชเวดากองเนะ่ยชเวดากองเนี่ยมันจะมีเพชรอยู่บนยอดเจดีเชเวดากองเนี่ยเจ็ดสิบกว่ากรัมจะได้บอกเพชรก้อนใหญ่มากกลางคืนเขาจะมีเขาจะมีสปอตไลท์ส่องไปหายอดเนี่ยเสร็จแล้วเขาบอกว่าไปยืนมุมนู้นจะเห็นจะเห็นเพชร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 แต่เราไม่เคยชักไม่เคยล้างไม่เคยขัดไม่เคยเกาพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยรู้ได้เข้าใจได้ด้วยบุญญาบารมีบุญญาบารมีเต็มเปี่ยม พ, พุทธเจ้าของเราสี่อสงไขยแสยนมหากับรู้สิสร้างความปวดสร้างความทนสังสมอบรมมาสี่อสงไขยแสยนมหากับเราี่กลับหนึ่งกับหนึ่ ง, งเรานี่จะเป็นจะตายแล้วแสนมหากับนี่คือเศษนะ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 มากับใจผู้รู้เนี่ยที่มันไปจับจองอะไปจับจองกองสังขารกองนั้นเพราะฉะนั้นเรามีรูปธรรมเรามีนามธรรมาใจมันเป็นนามธรรมาใจมันกรรมทั้งหลายทั้งปวงมันมามันอมแปรมากับใจกรรมอมแปรมากับใจพอไปจับไปจองขึ้นมาแล้วเอาตัวนี้หละเป็นตัวมาสําคัญมั่นหมายว่าเราๆ ร, า ร, าราของของเราเป็นเหตุ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 เป็นธาตุของมันรับใช้มันอยู่ไม่จบไม่สิ้นถึงขนาดนี้แล้วดูไปให้ดีเถอะกิเลสมันก็มากับกรรมกรรมก็มากับกิเลสก็มากับใจก็มาจับจองรูปธรรมอันนี้โตขึ้นมารู้เดียงสาภาวะเท่าไรก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายทิฏฐิมานะแข็งกระด้างบางคนก็ตามแต่จริตนิสัยที่จะสังสมมาอย่างไงบางคนก็อ่อนน้อบางคนก็แข็งกระด้างบางคนก็ราคะจริตบางคนก็โทสะจริตบางคนก็โมหะจริต ต่า ง, างนาๆนานาไปนี่คือความเกิดขึ้นความเป็นมนุษย์มันมาจากอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาในในปัดฉิมไยามสุดท้ายพระองค์ได้อาสวัขยายานกิเลสตัณหาที่เคยคล่องคาอยู่ในหัวใจของพระองค์เหือดแห้งหายไปหมดความคล่องคาสงสัยใดๆในหัวใจของพระองค์หายไปหมด ทำให้พระองค์ออกปากโอ้พอแล้วพอแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วอ่าประเสริฐแล้วเลิศแล้วมาอ่ายุติได้แล้วไม่มีสิ่งไรสิ่งใดที่ดีกว่านี้เลิศกว่านี้ประเสริฐกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ไม่ต้องการไม่ต้องแสวงหาใดๆอีกแล้วสำลบจสําเร็จแล้วจบแล้วสมสมหวังเต็มที่เต็มร้อยสาธุอระุทธเจ้า เราดูเถอะทุกอย่างลำบากขนาดไหนเพียงใดกว่าดวงปัญญาดวงนี้จะทะลุผปปูโปงมาเพื่อจะได้บอกได้สอนเวนัยศัตว์ทั้งหลายเปิดหูเปิดตาให้ได้ก้าวไปตามันยากลาบากเข็นขนาดไหนเราดูเถอะโอ้เพราะฉะนั้นเรากลาบเราลึกถึงพ ร, ระกุฎเจ้าพระธรรมพระสงค์เราจะเห็นความอัศจรรย์นในนั้นแหละอยู่ในนั้นดูมาที่นั้นแก็ดูมาที่ใจเราเนี่ย ดูมาที่นั่นดูมาที่นั่นดูมาที่ใจเราเกลี ก, ก, กล้องหมดแม้อย่างทุกวันเนี่ยพระองค์ปรินิพานไปแล้วพระองค์ไม่ได้ไปไหนพระองค์ก็อยู่กับเรานี่แหละพระองค์อยู่กับเราเพราะาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้สูญไปจากโลกาธาตุรู้ของพวกเราไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สูญไปจากโลกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกเพราะยังมีตัณหาอวิชชาปาทานอยู่ ตายแล้วเกิดอีกตายแล้วก็อีกยังมีพบยังมีอุปาทานแล้วก็ยังมีพบมีชาติที่จะต้องไปเกิดอยู่แต่พระองค์ไม่มีอุปาทานหมดอุปาทานแล้วอุปาทานแล้วว่ายึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาทําไมถึงยึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาเพราะมันหลงกิเลมันปิดหูปิดตาทําให้เรามองไม่เห็นสัตย์จะทำตัวที่แท้จริงก็หลงง ม, มอยู่อย่างงั้นแหละงมหมกอยู่ในโลกอย่างงั้นแหละไม่รู้จักจบนี่เราเห็นไหม เราเห็นความความสามารถของพระองค์พระองค์พระองค์พ ร, รนนี่ผานไปแล้วพระองค์ก็ไม่ไปไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเราตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบพุโทโธพุโทโธจิตเริ่มสงบเราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแท้ๆเละอ่าไม่ใช่ศิริระที่เราเห็นอันนี้เป็นเรือนร่างอ่า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 เรากลาพุทธังสระนังกชามิดูย้อนเอาผู้รู้ของเราย้อนมาดูผู้รู้ของเรานี่แหละเป็นเชื้อของพุทธะผู้รู้ดวงนี้นี่ของใครของเราอยู่นี่แหละนี่แหละคือเชื้อของพุทธะเราพยายามมาขัดเกลาดวงนี้ขัดเกลาเข้ากระเกลาขัดเกลาเกลาเข้าขัดเกลาัเกลาเข้าพุทธะก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา ผู้ใดเห็นธทมผู้นั้นเห็นเราพระวักกะลิเป็นคนชอบรูปพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนรูปงามแต่เป็นผู้หญิงก็งามงามงามยิ่งกว่าจักรวาลนางงามจักรวาลเองล้พระวกรักกะลิเนี่ยติดในพระรูปของพระพุทธเจา้าเดินไปไปไหนก็เดินดูเข้าไปบวชเนี่ยไปบวชเพราะติดรูปพระพุทธเจา้าพระวักกะลิเป็นพระสาวกประเภทรูปปรประมาณิกามีรูปเป็นประมาณ พุทธเจ้าไปนันก็เยดดดูดูเท่าไรก็ยคือยกลืน้ำลายเอื้ออิ่มดูแล้วกลือน้ำลายเอื้อนะเมื่อกเราชอบผู้หนุ่มผู้สาวเละเนาะน่นบอกดูเรากลืน้ำลายเอื่องยังไนบอกระวัาคลีเห็นความงามของพุทธเจ้าพอ พุทเจ้าท่านก็ดูในขณะเดียวกันตาในท่านก็ดูจิตของพระวักลีด้วยพระวัคลีท่านก็ดูดูดูนิสัยสัญดานดูจิตภายในจิตด้วยเพราะได้ช่วงจังหวะที่เหมาะพระองค์พระองค์เอาละเธอเพิดอะไรทีนี้เธอจะมาตามดูอะไรร่างกายอันเน่าเปื่อยของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะเดินจับชายจีวรของเราก็ไม่เชื่อว่าเห็นเราเฮะ ทั้งท ท, งทั้งที่บวชมาพยายามจะตามดูพระรูปเจ้าท่้นเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่พูดเป็นยื่อใยอะไรกับเราเลยบ้างเลยไม่เห็นหัว อ, อกหัวใจบ้างเลยอะไรเลยเสีย อ, อกเสียใจเสีย อ, อกเสียใจเสีย อ, อกเสียใจพระพระวกกะลินะถึงแม้ว่าเธอจะเดินตามจับชายโยนเราก็ไม่เชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราชื่อว่าเห็นธรรมเพราะว่าก็เียเลยเสียใจเสียใจจะไปกระโดดหน้าผาตายอ่ะจะไปกระโดดเหวตายกําลังที่จะกระโดดนั่นแหละคือจิตใจตอนนั้นเนี่ยเป็นจิตใจที่เรียกร้องอยากเห็นมันเหมือนกับอยากเต็มที่อยากเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จยากไปโผล่ปรากฏให้เห็นรูปไปในระ ม, มิดรูปให้เห็นผู้มีติยินดีใจโล่ขึ้น พระพุทธเจ้าในรรมวิตให้ให้จริย์วิปัสนาพอจริย์วิปัสนาเสร็จได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์นี่พระวักกะลิเนี่ยพระวักกะลิเป็นผู้ติดในรูปนี่คือความงามของพระพุทธเจ้าเนีเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงความงามของพระพุทธเจ้านะเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงเราพูดถึงความอาัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าใครเห็นพระพุทธเจ้าคนนั้นเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังกึกกล้องอยู่ในหูในประโซตประสาทของเราในหูของเราตั้งอกตั้งใจกราบไหว้ตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละนี่แหละคือเชื้อที่จะทําให้เกิดพระพุทธเจ้าเกิดพุทธะในใจของเราพระพุทธเจ้าปัจจุบันไปแล้วเพราะเราไม่ได้ตั้งใครให้เป็นพระพุทธเจ้าแทนเพราะธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้มานั่นแหละ ถึงจะตั้งก็ตั้งไม่ได้เพราะธรรมะที่แท้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นพระธรรมที่พระองค์สั่งสอนไว้หนึ่งมากมายมหาศาลเพียงพอสำหรับผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะชำระขัดกล่าจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นพูะุทธเจ้าจึงทรงตรัส ก, กับพระอ น, อนว่ายุคใดก็ตามสมัยใดก็ตามมีผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอริยมัคมีองแปด ยุคนั้นสมัยนั้นการนั้นอยังมีพระอรหันต์อยู่พระอรหรันต์จะไม่สูญไปจากโลกนี่ฟังไหมเราพูดมาเรื่อยๆเนี่ยฟังเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมเงานอนแล้วยังตัวเอกเ ข, ข้าใจเหรอเงานอนแล้วเหรอ เง้านอนทำไมเข้าใจอ่ะโอ้เอาละดึกแล้วเนาะวันนี้เอาแค่นี้แหละอืมเอายำพยายามสื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆแหละเอาวันนี้เอาจบกันแค่นี้ละเอาต่อไปกราพุทธิจ้าล้วไปภาวนาเอาทั้งคืนเลยนะเอาได้เห็นพุทธิจ้าเนอะเออเอ า, เอ า, เอ า, เอาไปีไปตั้งแต่โซกันนะบ่ได้เดบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขาดทุนขาดทุน